บัดนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปท่านเหนมกะมานุ์ได้มากราบทูลแสดงความคิดเห็นและกราบทูลถามปัญหาตอบพระภูมิพระภาคเจ้าว่าคำสอนที่อาจารย์สอนกันในปางก่อนนั้นเป็นการนำสืบสืบกันมาคือสั่งสอน เล่าต่อกันมาอันเองไม่พอใจในคําสอนลักษณะนั้นจึงขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นเครื่องสงบระงับดับตัณหาที่ทําใจของบุคคลให้สายไปในอารมณ์ทั้งหลายต้องประสบกับความทุกข์ในลักษณะต่างๆด้วยแรงดันของตัณหาเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งตอบว่า นิพพานเป็นที่ดับแห่งชันธราคะซึ่งเกิดขึ้นในปีรูปอันตนได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาเป็นสภาวะที่คงที่พระพุทธน้หรัดข้อนี้เป็นการชี้หลักปฏิบัติที่ปรากฏในรูปพุทธาศาสนสุภาษิตอยู่สองตอน คือตอนแรกเป็นการแสดงถึงผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติคือนิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาคำว่านิพพานนั้นแปลว่าสภาพที่ดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์แต่เนื่องจากนิพพานเป็นสิ่งที่บุคคลจะพึงเห็นได้โดยตัวเอง และเป็นข้อที่วินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนตามบท <c oughs> พระธรรมคุณที่สวดกันเวลาทรงแสดงเรื่องของนิพพานจงมักแสดงในรูปของปฏิเสธสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้คือสรุปว่าโลกนั้นตรงกันข้ามกับนิพพานการที่น่าศึกษา อยู่ในยะหนึ่งก็คือว่าสัตว์แต่สังขารทั้งหลายในโลกนั้นไม่ว่าจะมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณจะเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมก็ตามแต่จกตกอยู่ในสภาพของใจรักคือเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาหรือว่าประกอบด้วยอ น, นิจจังทุกขังอนัตตา สภาพที่เป็นอนิจจังนั้นคือสภาพที่เกิดขึ้นดำรงอยู่และเสื่อมสลายไปมีในสัตว์และสังขารทั้งหลายเพียงแต่เวลาทรงแสดงจะทรงใชค้คาแตกต่างกันอยู่หน่อยหนึ่งหากว่าเป็นคนเป็นสัตว์จะพูดถึงเกิดแก่ตายแต่พูดถึงสิ่งต่างๆจะพูดถึงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่เปจริงเกิด เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกับเกิดแก่ตายนั้นก็เป็นการพูดถึงเรื่องเดียวกันนั่นเองเพร น, น, นิพานจึงตรงกันข้ามกับสภาวะเหล่านี้นิพานเป็นสภาวะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าคงที่บางครั้งทรงใช้เรียกบุคคลผู้บรรลุนิพานว่าตาทีโนคือผู้คงที่ การแสดงลักษณะของจิตที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ซึ่งมากระทบก็มีลักษณะที่แตกต่างกันจากจิตของปุถุชนตามปกติแล้วจิตของปุถุชนเห็นรูปด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูเป็นต้นก็จะเกิดความรู้สึกรักให้ยินดีหรือชิงชังใจของคนจึงขึ้นขึ้นลงๆด้วยอำนาจความรักและความชัง ยามได้เห็นรูปด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูเป็นต้นและแม้แต่นําเรื่องเหล่านั้นมาเหนียวนึกด้วยใจก็จะนึกด้วยความรักและความจังิงส่วนจะกระจายตัวเองออกไปและเมทําใจอย่างไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าใจของท่านที่เข้าถึงนิพพานจะเป็นใจที่คงที่ที่ทรงแสดงว่าไม่แสดงอาการขึ้นขึ้ น, นลงลง หรือไม่แสดงอาการฟุบขึ้นฟุบลงและฟูขึ้นอาการขึ้นขึ้นก็คืออาการที่กําหนดด้วยอํานาจของความใคร่อาการที่ฟุบลงก็คืออาการที่กําหนดด้วยความชัง่งที่บางครั้งท่านก็เรียกว่าความเสียใจความขับแค้นใจก็ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอารมณ์ในลักษณะที่ตนไม่ชอบ สภาวะของนิพพานจึงอยู่ตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านี้อ น, นิจจังอีกข้อหนึ่งก็คือมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งแต่นิพพานนั้นจะไม่มีลักษณะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแต่ประการใดปีเลยอะไรทีล ะ, ล, ะละได้แล้วก็ชื่อว่าละได้แล้วจะไม่ไม่มีการกำเริบขึ้นมาอีกไม่ว่าในอารมณ์อะไรก็ตาม ถึงตามปกติลักษณะทางอารมณ์ที่บุคคลกําหนดอาจจะกล่าวโดยสรุปก็จะเป็นสีแนวด้วยกันในกรณีที่เป็นการเพิ่มกิเลสคือกําหนดด้วยความกําหนัดด้วยความรักกําหนดด้วยความชังก็คือความโรกรธกําหนดด้วยความเขลาความไม่รู้ก็คือความหลงกําหนดด้วยความมัวเมาคือความประมาท ความเผอเร่อความหลงดึกข้อนี้จะพบพยายามใดก็ตามที่ใจตกไปในลักษณะนั้นยามนั้นบุคคลจะประสบ ป, ปัญหาระดับใด ร, ระดับหนึ่งอยู่เสมอซึ่งแสดงเห็นว่าจิตใจจะเปลี่ยนแปลงไปตามแรงของอารมณ์ที่มากระทบจากภายนอกหรือการเหนียวนึกในขณะนั้นๆแต่สภาวะของนิพพานจะไม่มีสภาพอย่างนั้น คือจะเป็นสภาพจิต ท, ที่คงที่กิเลสข้างนอกแรงมาก็ไม่มีอะไรคือดีมาก็ไม่มีอะไรเพื่อใบุคคลเห็นสภาพจิตเหล่านั้นบางครั้งก็ส่งอุปมาให้เห็นเหมือนกับดินบ้างเหมันกับน้ำบ้างมอนกับลมบ้างมือนกับไฟบ้างเหมือนกับภูเขาศิรามีแท่งทึบบ้างซึ่งสภาพของสิ่งเหล่านั้นได้แก่การไม่หวั่นไหวในอารมณ์ทั้งหลาย คนจะทิ้งของสกปรกลงไปก็ไม่ยินไรคือไม่โกรธคนจะทิ้งของสะอาดลงไปก็ไม่ชื่นชมยินดีลักษณะาอารมณ์หรือจิตใ จ, จของพระผู้บรรลุนิพพานก็จะมีลักษณะอย่างนั้นก็คือการไม่ยินดีและไม่ยินไรในอารมณ์ทั้งหลายการตั้งอยู่ของสิ่งที่เป็นอ น, นิจจังทั้งหลายนั้นเป็นการตั้งอยู่ทั่วขณะ แต่นิพานเป็นการตั้งอยู่ที่ฐาวนในแง่ของทุ ก, กาตานั้นท่านแสดงว่าสัตว์และสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแต่นิพานนั้นไม่มีเหตุปัจจัยเมื่อกล่าวถึงสิ่งทั้งหลายในโลกเป็นสังขารพระพุทธเจ้าจะทรงใช้คำอยู่สองคำคำว่าสังขารและวิสังขาร บางทีเรียกบาลีเต็มรูปว่าสังคตรธรรมคือสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นโดยลำพังตัวเองจะจะมีสิ่งเข้ามาประกอบต่างๆไปนั้นมากเส้นการจะเป็นคนขึ้นมาได้นอกจากจะอาศัยมารดาบิดากรรมเป็นต้นแล้วองประกอบของชีวิตจะต้องมีธาตุสี่ประการหรือธาตุหประการถ้าขาดธาตุหประการไปอย่างใดอย่างหนึ่งความเป็นคนก็มีไม่ได้ นอกจากจะมีดินน้ำลมไฟแล้วยังต้องมีอากาศกับวิญญาณด้วยพระตาขาตวิญญาณนธาตมันก็กลายเป็นเพียงศพเท่านั้นเองต้องมีวิญว ญ, ญาณนธาตเข้าไปอยู่ด้วยจึงจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้แต่งประกอบของสิ่งไม่มีชีวิตก็ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศแต่ไม่มีวิญญาณดังนั้นบางครั้งบางคราวเวลาเรียกอีกนัยยะหนึ่ง ก็ทงใช้คำว่ามีวิ ญ, ญญาณครองกับไม่มีวิญญาณครองแท้จริงแล้วก็เป็นการพูดถึงสังขารประเภทที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยส่วนสภาวะของนิพพานนั้นจะเรียกว่าวิสังขารคือไม่มีเคลื่อนปรุงแต่งและไม่มีอะไรจะมาปรุงแต่งได้ไอสิ่งที่ปรุงแต่งได้ลองดูตัวอย่างคกล้ๆกับน้ํา โดยสภาพของน้ําไม่มีสีไม่มีกลิน่นบริสุทธิ์สะอาดแต่น้ําก็ถูกปรุงแต่งด้วยสีอย่างนั้นสีอย่างนี้ด้วยโคนโด้วยตม้มด้วยปัจจัยอืน่นๆน้ําจึงเปลี่ยนสีไปได้เรื่อยทๆทั้งๆที่สภาพจริงๆน้ําไม่มีสีไม่มีกลิน่นจิตใจของบุคคลทั่วไปก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือจะถูกปรุงแต่งอยู่เรื่อย ขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่เข้ามากระทบดังกล่าวแต่นิพานนั้นจะไม่มีการปรุงแต่งหรือไม่ถูกปรุงแต่งสัตว์แต่สังขารทั้งหลายนั้นไม่สามารถรักษาสภาพเดิมของตนไว้ได้จะมีการเปลี่ยนแปลงแป ร, แ ป, รปรวนไปเรื่อยๆแต่นิพานก็ตรงข้ามเลยคือคงสภาพเดิมอยู่ตลอดไปไม่มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงทุกขั้นตอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของกิเลส กับเรื่องของความรู้กิเลสที่ละแล้วก็คือละแล้วยางพระพุทธเจ้าจัสร้เมื่อประชนาอายุสาสิบห้าปีประชนาอายุ8ปดสิบปีก็เป็นอย่างนั้นในศูนย์พระไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใดธรรมะที่ทรงแสดงในภรษาแรกในปีแรกอย่างไรแสดงในปีสุดท้ายก็แสดงอย่างนั้นข้อนี้ถ้าลองสังเกต ในการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าปีแรกไปเน้นที่อริยสัจมากปีสุดท้ายก็เป็นเน้นที่อริยสัจมากและอริยสัจที่แสดงในปีแรกกับปีสุดท้ายนั้นใช้คําทุกคําเหมือนกันและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่สับสนไม่เปลี่ยนแปลงในพระทัยของพระพุทธเจ้าและสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นแล้เมื่อคนอื่นรู้เห็นข้าว ก็จะรู้เห็นอย่างที่พระองค์รู้พระองค์เห็นแม้คนในยุคหลังปฏิบัติไปก็จะรู้เห็นเช่นเดียวกันสังขารทั้งหลายนั้นประกอบด้วยทุกข์และมีการบิดเบี้ยนแผดเผาปณิพาน์าประกอบด้วยสุขที่เราเรียกว่าบรมสุขซึ่งหมายความว่าความสุขนั้นก็มีลดหลั่นกันขึ้นไปแม้ในการดำรงชีวิตของบุคคลทั่วไป ก็มีการสมมติบัญญัติกันว่านั่นเป็นความสุขแต่ความสุขที่ตั้งอยู่บนความเปลี่ยนแปลงถ้าเทียบเคียงแล้วสุขมีจำนวนน้อยทุกมีจำนวนมากที่ทรงแสดงโลกไปสรุปว่ามีสุขน้อยแต่มีทุกขมากแถวโลกปรารถนาขล่อยพลากา ม, มาสุขรือการมุ่งสแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสพธดตาพะ มาตอบสนองความต้องการของตนแล้วก็มีความรู้สึกว่าตนจะเป็นสุขก็ได้สิ่งนั้นแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วจะพบว่าทุกขั้นตอนนั้นประกอบด้วยทุกตั้งแต่เริ่มมีความปรารถนาใจถูกผลักดันด้วยความปรารถนามีการลงทุนลงแรงเหน็ดเหนื่อยประกอบกิจการงานต่อสู้ฝ่าควันอุปสรรคอันตรายต่าง บางครั้งตะกีเด็แรงเกินไปก็ต้องทำชั่วเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวต้องการและเมื่อได้มาแล้วน่าจะมีความสุขก็ไม่ได้รับความสุขเกิดความของแคนเกิดความห่วงใยเกิดกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นแก่สิ่งที่ตัวได้มาจึงต้องมีการป้องกันมีการรักษาบางครั้งแม้จะนอนก็ไม่หลับ ่เป็นวงใยญ่สมบัติของตนแม้จะทําใจให้สงบก็มีความพิจักกังวลกลายเป็นเรื่องที่เราเรียกว่าปริพ ooth คือสิ่งที่สร้างความกังวลใจบางครั้งก็มีการยื้อแย่งจากขวายตรงกันข้ามก็ต้องต่อสู้เสี่ยงไปเสี่ยงชีวิตกันและมีเป็นจํานว น, นน้อยเหลือเกินบางครั้งเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มทุนเอาชีวิตไปเสี่ยงกับเรื่องเล็กเล็ ก, ลกน้อย ชีวิตนั้นมีค่ามากแต่ไปแลกกับสิ่งมีค่าน้อยบางครั้งคนอาจจะตายเพราะเงินเพียงไม่กี่บาทอาจจะตายเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆตัวยามสิ่งนั้นพัดพรากไปเปลี่ยนแปลงไปตายไปสูญหายไปหรือเป็นอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งจิตก็จะถูกกัดก ร, อร่อนด้วยความโศกความรำไรลําพันความทุกข์ความเสียใจที่เกิดขึ้นจากการพรัดพรากของสิ่งเหล่านั้น ดังนั้นจึงทรงแสดงโดยสรุปว่ามีสุขจริงแต่สุขน้อยแต่ความทุกข์มากกว่าซึ่งผู้ศึกษาจะกำหนดพิิพจณาแม้แต่กระบวนการของอาหารสัตว์โลกนั้นอยู่ได้โดยอาหารชีวิตของคนและสัตว์ก็ขาดอาหารไม่ได้อาหารที่ให้ความสุขคือความอดเด็ด ร, รอที่เกิดขึ้นจากการรับประทาน จะสามารถแจัดปัดเป่าความหิวความกระหายลงไปได้นั้นตลอดทั้งกระบวนการของอาหารเริ่มจากความปรารถนาการสแสวงหาการครอบครองการปรุงแต่งตลอดถึงการล้างถ้วยล้างชามการมีภาระที่เกี่ยวกับอาหารเป็นเรื่องของความทุกข์เมื่อเทียบเคียงในอาจารยส่วนแล้วจะเห็นว่าตัวความสุขมีจํานวนน้อยไม่เรื่องอื่นก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกัน พระเจ้าจึงทรงสรุปด้วยธ้าคำสั้นๆอย่างที่ว่าแล้วอปัสสาดาดุกขฆากร า, าอิติวิญญาจะปันฑิโตบันฑิต ร, รู้ไปจากชัดแก่ใจว่ากามนั้นมีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากดังนั้นลักษณะของสิ่งที่เป็นทุกขตาคือสิ่งที่เป็นโลกนั้นจะประกอบด้วยทุกเกี่ยวข้องด้วยทุกผูกพันด้วยทุกจนถึงกับพระริยเจ้าท่านมองจากจุดสูงสุดของโลก เรียกว่ามองจากโลกุตระคือเหนือโลกเป็นการมวมองลงมาจากที่สูงด้วยปัญญาอย่างแท้จริงด้วยใจที่สะอาดอย่างแท้จริงท่านจึงกล่าวไว้ว่าแท้จริงแล้วทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับมันมีแต่ทุกกะทุกเท่านั้นเง แต่ในธรรมดาของโลกนั้นยามใดที่ทุกข์ลดลงก็รู้สึกว่าเป็นสุขคล้ายๆกับทุกข์เพราะความหิวพอได้รับประทานดื่มกินไปแล้วความหิวผหายไปก็รู้สึกว่าเป็นสุขแต่อีกไม่เท่าไหร่ก็หิวอีกรับประทานอีกก็รู้สึกเป็นสุขอีกแล้วก็ทุกข์อีกปัญหาที่บุคคลจะต้องแก้ไขกันในชีวิตจึงเป็นการแก้ไขเรื่องทุกข์ แต่ถ้ามองให้ชัดลงไปเห็นว่าสิ่งที่เป็นสภาวัตถุคือเกิดแก่ตายหรือบางครั้งตั้งก็แถมเกิดแก่เจ็บตายลงไปเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นปัญหาถาวรของชีวิตคนสร้างความร่ำรวยมาจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของบุคคลอื่นคนเดือดร้อนในการแก้ปัญหาก็เรื่องของความ เกิดความแก่ความเจ็บความตายชีวิตของบุคคลจึงสูญสิ้นไปเพราะเรื่องก็เกิดแก่เจ็บตายดังนั้นชีวิตในแง่ของโลกจึงประกอบด้วยทุกข์แต่สภาวะของนิพพานนั้นตรงกันข้ามจะทำอย่างไรจึงพูดเข้าใจประสงแสดงเป็นรูปของภาสิทธ์ไว้ในที่ต่างๆเช่นพานเป็นบรมสุขซึ่งหมายความมาสุขที่ไม่เจือด้วยทุกข์ เป็นสุขที่แท้จริงเพราะถ้าสุขที่เจอดูทุกข์คล้ายๆกับคนป่วยที่หายป่วยแต่ยังมีเชื้อโรคอยู่ก็ผ่านวันเวลาไปเพื่อรอโรค ก, กำเริบใหม่เท่านั้นเองแต่นี้เป็นการหมดสิ้นดังแท้จริงจึงเป็นบรมสุขคือสุขสุดยอดแล้นเมื่อมองมาจากจุดสูงสุดที่พระพุทธเจ้าพระอราหันต์ท่านมอง ท่านถือว่าความสุขในโลกจริงๆแล้วไม่มีมีมาจากความทุกข์ที่ลดเท่านั้นบางครั้งทางอุปมาเห็นง่ายๆว่าเหมือนความสุขที่เกิดขึ้นจากการเกาแผลคันเมื่อรู้สึกคันแล้วก็เกาเกาแล้วก็หายก็รู้สึกเป็นสุขขึ้นหายคันก็ต้องเกากันอีกเรื่อยไปแต่วันนี้ผ่านนั้นไม่มีลักษณะอย่างนั้นไม่มีอะไรมาแผดเผา จนก่อให้เกิดความเร้าร้อนขึ้นภายในใจในชั้นหนึ่งโลกนั้นประกอบด้วยอนัตตาคือไม่มีอะไรอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาอย่างแท้จริงแต่นิพานนั้นอยู่ในอำนาจที่แท้จริงโลกนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่นิพานก็มีเจ้าของแต่ในขณะเดียวกันนิพานก็เป็นอนัตตาประการหนึ่ง คือเป็นสภาพที่ว่างว่างจากอะไรถ้าจะพูดเต็มรูปแล้วก็ว่างจากเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์แต่ถ้าพูดเหตุจริงๆก็คือว่างจากกิเลสเท่านั้นเพราะความทุกข์เป็นผลต่อเนื่องมาจากกิเลสเมื่อไม่มีกิเลสความทุกข์ก็หมดไปหรือพูดจากการหมดทุกข์แสดงว่ากิเลสไม่มีแต่นั้นเวลาพูดถึงนิพพานยังพูดได้หลายเรื่องความดับทุกข์ปัน ควาดับต hey. ันหาบั่งความไม่มีกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดบั่งความไม่มีกิเลสเป็นเครื่องร้อมย้อมใจบ้างปราศจากราคะบั่งเป็นการพูดในเชิงเหตุก็ได้ในเชิงผลก็ได้แต่สิ่งเหล่านี้เกี่ยวเนื่องถึงกันคล้ายกับพานกับไฟเราพูดดับไฟก็ก็ดับควันเราพูดเราไม่มีควันก็แสดงไฟดับเป็นอาการที่ถึงกันคืออย่างหนึ่งหมดอย่างหนึ่งก็หมด นิพพานจึงว่างจากตนจากของตนจากความเป็นตนที่ท่านใช้คำว่าว่างจากความเป็นของเราจากความเป็นเราจากความเป็นตัวเป็นตนของเราดังนั้นเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงในรูปของใจหลักทรงแสดงว่าเมื่อใดบุคคลมาเห็นว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์นี้คือทางแห่งความหมดจดซึ่งแสดงเห็นว่าการที่จิตจะหน่ายในทุกข์ได้นั้นกิเลส ข, ของบุคคลจะต้องจางลงถ้าไม้จางลงแล้วก็จะไม่เกิดความหน่ายในทุกข์ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคนที่เป็นทาสของสุรายาเมาต่างๆ สตรบใดที่สติปัญญาแก่ไม่สูงมากพอที่จะวินิจฉัยตัดสินอะไรได้กก็จะเพลิดเพลินเป็นลักษณะมแมลงมากินข้าวกองไฟอยู่นั่นเองแต่วันใดสติปัญญาเหตุผลแกมากพอขึ้นแกก็เลิกกับเก๋เองนี่แสดงว่าเมื่อธรรมะสูงขึ้นกิเลสก็จะลดลงเมื่อกิเลสลดลงความชั่วก็จะลดลงความชั่วลดลงความทุกข์ก็จะลดลง ความทุกข์ลดลงความสุขจะเพิ่มขึ้นจึงเป็นการเพิ่มกันขึ้นในลักษณะอย่างนี้นิพพานจึงเป็นสภาพที่ว่างทั้งจากกิเลสและจากทุกข์ท่านจึงแสดงว่านิพานังนิบานังปรมังสุญญงนิพพานเป็นสภาพที่ว่างอย่างยิ่งทําไมจึงใช้คำว่าว่างอย่างยิ่งเพราะตามปกติแล้วสภาพของนิพพานนั้น ไม่ใช่มีเฉพาะพระรีเจ้าพระรีเจ้านั้นเป็นนิพพานที่สมบูรณ์แต่นั้นแต่ว่าสามัญชนทั่วไปก็สัมผัสนิพพานกันได้ทุกวันนิพพานจึงเป็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่พระพุทมีพระภ า, า้าทรงสัมผัสจากจุดพื้นฐานจนจุดสุดยอดนิพพานคือการหลับกิเลสบางครั้งทรงใช้คำบาลีว่า นิพานที่บุคคลเึื่องินได้ในขณะนั้นๆั้นฉันมีความโกรธบังเกิดขึ้นภายในใจอาจจะใช้สติอาจจะใช้ความอดทนอาจจะใช้ความข่มใจอาจจะใช้ความละอายแก่ใจอาจจะใช้ปัญญาพินิใช้ตัดสิ้นความโกรธเหล่านั้นเพราะความโกรธนั้นมีโทษเป็นพิษแผลเผาจิตใจร่ารรอนเป็นที่ตั้งของเวรของภยัย เป็นภัยทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นมีความโลภโกรธของเป็นเหตุอาจจะอดทนต่อความโกรธราจจะข่มใจไม่ให้โกรธอาจจะห้ามความโกรธเอาไว้อาจจะตัดความโกรธออกไปด้วยปัญญาความทุกข์ที่เกี่ยวเนื่องจากการกระทําอะไรไปตามอํานาจของความโกรธก็สงบก็ระงับก็ดับในขณะนั้นก็ชื่อว่าสัมผัสสิ่งที่เรียกว่านิพานในระดับนั้น อาจจะเป็นหนึ่งในแสนหรือว่าหนึ่งในล้านก็ตามแต่นั่นคือสาภาวะของนิพพานในนิพพายงงนยางอ่อนอ่อนที่บุคคลสัมผัสได้ในขณะนั้นๆแล้วพระเจ้าประสงอาศัยพระธรรมคุณห้าบทหลังยกเว้นสวากขาโตชงชงชากรรมสันทิติกังนิปพานังนิพพานที่บุคคลเห็นได้ด้วยตนเอง ความโกรธจากตัวอย่างที่ว่ามาแล้วเมื่อความโกรธสงบบุคคลก็เห็นความว่างจากความโกรธความว่างจากความทุกข์ที่เกี่ยวเนื่องด้วความโกรธแต่วความมั่นคงทางใจแต่ว่าไม่ได้นานแต่นั้นเองมั่นคงทางใจอยู่ระยะหนึ่งขณะหนึ่งเวลาหนึง่งจะนานได้ขนาดไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ในช่วงนั้นขณะนั้นความโกรธก็ไม่มีอยู่ภายในใจ โอกาสต่อไปจะเกิดขึ้นอีกก็ได้แต่ถ้าใช้ธรรมะระงับไว้ทันบ่อยๆบุงคลสามารถคุมใจของตนไว้ได้เป็นวันๆอาจจะติป์อาจบางทีก็เป็นเดือนๆเ <ๆ S 2> ช่ น, นวันหนึ่งไม่เคยโกรธเลยแสดงว่าฐานใจมีความมั่นคงมากพอสมคนบางคนอาจเป <ๆ S 1> ็นเดือนไม่เคยโกรธเลยมีแสดงว่าจิตใจมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น เป็นสิ่งที่เห็นได้เห็นคนอื่นก็ทะเลาะวิวาส ด, ด่าทอกันทุบจีกันเกิดความสุขใจเกิดความภูมิใจแต่ว่าไหนขณะที่คนอื่นก็กำลังวุ่นวายด่าทอวิวาสทุบจีกันนั้นเราไม่ประพฤติกระทําเช่นนั้นมีความสุขสบายจริงๆถ้าเราเป็นอย่างเขาเราคงทุกข์เราทําอย่างเขาเราคงเดือดร้อนนี่ก็เป็นสิ่งที่บุคคลจะเห็นได้เป็นความสงบระดับหนึ่ง ถึงแม้จะไม่สูงสุดประสงบสูงสุดก็ต้องเป็นนิพพานที่พระพุทธเจ้าประหานท่านบรรลุแต่ก็เป็นนิเป็นความสุขที่ลดหลั่นลงมาเป็นความสงบที่ลดหลั่นลงมาในชั้นสุดยอดจึงทรงแสดงว่านัตติสันติปราังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหรือความสงบเป็นยอดของความสุขสงบได้มาก ความสุขก็มากสงบไปน้อยความสุขก็น้อยตอนนี้สงบไปแต่ละขณะก็ได้ความสุขในแต่ละขณะไล้จากจุดนี้เองจะเห็นได้ว่าปริยายของธรรมะทั้งหลายที่ส่งแส ด, แดงเช่นทรงสอนให้ตั้งสติระลึกดูอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเป็นานาปาณนะสติกรรมฐานก็ต้องการดึงจิตให้มาสงบอยู่กับลม เมื่อจิตสงบอยู่กับลมกิเลสก็ไม่มาปรุงจิตจิตก็ไม่ร้อนจิตก็ไม่สับสนกวัดแกว่งไปเดิมหน้าของกิเลสเหล่านั้นถ้าทําใจสงบอยู่ได้ที่ลมจริงๆอย่างน้อยในขณะนั้นๆกิเลสก็แทรกเข้าไปสู่ใจไม่ได้หรือตั้งสติระลึกจู่ดูจิตในแต่ละขณะจิตมีราคาคอรู้ว่ามีราคะไม่มีราคะก็รู้ว่าจิตไม่มีราคาพอมีราคะก็สลัดออกไป เพอไม่มีราคะก็ประคับประคองไว้จิต ท, ที่ไม่มีราคะจึงเป็นจิต ท, ที่มีความสงบ ม, มีความมั่นคงมีความเจอกอเจนดังนั้นนิพพานซึ่งเป็นจุดสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาในระดับหนึ่งในชั้นหนึ่งที่ลดอันกันลงมาบุคคลสามารถสัมผัสได้ตามสมควรแก่กําลังแห่งขะการประพฤติธปฏิบัติของตนต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป